สิกขาบทที่ 12. ภิกษุนีถามปัญหาพิกษุที่ตนยังไม่ได้ขอโอกาสต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังถามต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อถามแล้วต้องอาบัตปาจิตติ